บทภาชนีนิสักคียปาจิตตีร้อยเจ็ดบาทท right. ี eh. hey. ่เกินกำหนด10บวันภิกษุสำคัญว่าเกินกำหนดแล้วต้องอบัตินิสักคียาปาจิตตีบาทที่เกินกำหนด10บวันภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีบาทที่เกินกำหนดสิบวันภิกษุสำคัญว่ายังไม่เกินต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีบาทที่ยังไม่ได้อธิษฐานภิกษุสำคัญว่าอธิษฐานแล้วต้องอบัตินิสักคียาปาจิตตี บาตรที่ยังไม่ได้วิกลับภิกษุสําคัญว่าวิกลับแล้วต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีบาตรยังไม่ได้สละพิกษุสําคัญว่าสละแล้วต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีบาตรยังไม่สูญหายภิกษุสําคัญว่าสูญหายแล้วต้องอบัตนิสักคียปาจิตตีบาตรยังไม่ฉิบหายภิกษุสําคัญว่าฉิบหายแล้วต้องอบัตนิสักคิยปาจิตตีบาตรยังไม่แตกภิกษุสําคัญว่าบาตรแตกแล้ว ต้อบัตรนิสสกิยปาจิตตีบาทยังไม่ถูกโจรชิงเอาไปภิกษุสําคัญว่าถูกชิงเอาไปต้องอบัตรนสิสสกิยปาจิตตีติกะทุกกดบาทที่เป็นนิสสกีภิกษุยังไม่สละใช้สอยต้องอบัตรทุกกดบาทที่ยังไม่เกินกําหนดสิบวันภิกษุสําคัญว่าเกินกําหนดแล้วใช้สอยต้องอบัตทุกกดบาทที่ยังไม่เกินกําหนด10บวันพิกษุไม่แน่ใจใช้สอยต้องอบัตรทุกกด บาทที่ยังไม่เกินกำหนดสิบวันพิสูุสํสำคัญว่ายังไม่เกินกำหนดใช้สอยไม่ต้องอบัต